นั่นมุสลิมมุสลิมทําไมเขาเลือกมุสลิมไปบริหารเนะ่ยเพราะมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ดีสะอาดเขาทางานเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้วหวังอะไรเลยหวังอย่างเดียวคืออัลลอฮ์พึงพอใจอ่าเพราะฉะนั้นกุรา น, นี้เป็นทางนําสําหรับชีวิตของพี่น้องมุสลิมทุกคนคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็เอากุรานนี้ไปใช้แต่เขาไม่บอกฉันเอามาจากไหนอื ขอบคุณอัลลอ์นะที่เราได้ทบทวนวันนี้มาถึงอายาที่สิบเอ็ดขอทบทวนอายาที่สิบนิดนึงนะ <c oughs> อายาที่สิบเนี่ยต้องการจะเล่าให้เราฟังว่านาบีสากะรียาเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอ์อยากจะมีลูกสักคนหนึ่งทงั้งทั้งที่อายุเนี่ยแก่แล้วแล้วก็ภรรยาเป็นหมัน ตรงนี้ให้ความรู้กับเราเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นแพทย์เนี่ยงงคนที่เป็นแพทย์งงพยาเป็นหมันแล้วมีลูกได้ยังไงไปตัวตัวดูหมันหมันหมันั น, น, น, นแต่อลอเล่าเป็นหมันสามีแก่ภรยาก็แก่เป็นหมันด้วยฉันจะให้มีหน้าแตกกันหมดเลย ฉะนั้นนี่ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรียกว่ากุดรอตุลลอถ้าฟิตรอตุลลอฟิตรอแปลว่ากฎธรรมชาติที่อัลลอฮ์วางไว้เนี่ยคนเป็นหมันไม่มีลูกผู้หญิงเป็นหมันเนี่ยั้นยังไงก็ไม่มีลูกนี่เป็นกฎธรรมชาตินะเรียกว่ากฎธรรมชาติส่วนกุดรอตุลลอกุดรอแปลว่าความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยเหนือกฎธรรมชาติ ฉะนั้นนบีอิสาเกิดมามีแม่ไม่มีพ่อนี่ไม่ใช่ฟิตรตุลลอเรียกว่าอะไรกุดตุลลอความความสามารถของอัลลอฮ์นบีอาดัมเกิดมาไม่มีพ่อและไม่มีแม่มาจากดินนี่ไม่ใช่ฟิตรตุลลอเรียกว่าอะไรกุดตุลลอนางฮาวะไม่ใช่ฮาวานะฮาวาเรียกให้ถูกนิดนึง นาพ่อราอ่านคุรานเนี่ยเรอ่านขดิษฐ์เขาว่าเนี่ยเกิดมาจากซิ่โครงนี่ม่ใช่ฟิตรตุลโลเรียกว่าอะไรกุดรตุลโลดับเบีอีซาผ่านแม่ไม่มีพ่อนี่ม่ใช่ฟิตรตุลโลแต่เป็นกุดตุลโลสุวรรณมาสุจิของผู้หญิงผู้ชายบวกกันอยู่ในมดลูกของผู้หญิง แล้วก็ปฏิสนธิเกิดมาเป็นคนอย่างพวกเรานี่นี่เรียกว่าฟิตรตุลล์ไม่ใช่คุตตุลล์ท่านจะนะฟิตรตุลล์ที่เอาเรวางกฎธรรมชาติเอาไว้ว่าถ้าจะเป็นคนต้องทำอย่างนี้แหละหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นบีก็อธิบายต่ออีกนามสุติที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยสี่สิบวันกลายเป็นก้อนเลือดเห็นไหม นี่เป็นกฎธรรมชาติที่อัลลอ์ตั้งเอาไว้แล้วก็ให้นบีประมัตมาสอนจาก40วันเป็นก้อนเลือดนะ40วันเป็นก้อนเนื้อ40วันเป็นกระดูกแล้วก็มีเนื้อหุ้มกระดูกนี่อัลล อ, สอ์สร้างมาอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่าฟิสโตลตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมพวกเราเนี่ยนะที่เข้าใจอิสลามเนี่ยที่อ่านคุรานเนี่ย ฟิตรัตุลล้อก็กฎธรรมชาติของอัลลอฮ์กุตตารุตุลล้อเหนือกฎธรรมชาติก็เป็นความสามารถของอ AH. ัลลอฮ์ سبحانه และุปัตตาลาต้องยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์อีกแบบหนึง่งไม่ผ่านน้ามาสูจิเนี่ยได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าทับไม่ได้ได้ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์วางกฎไว้อย่างนี้อืมเราก็เข้าใจและอธิบาย เพื่อให้อีหมานของเราดันเพิ่มขึ้นจากหัวใจของเรานะนบีสากรียาขอถุกอ่านต่อหรว่าอยากจะได้ลูกสักคนหนึ่งถามว่าได้ลูกมาเพื่ออะไรนี่ก็เป็นชี้ทางนําให้กับตัวเราวันนี้แหละมีลูกมีหลานนะมีว่าเพื่ออะไรนบีสากรียาเป็นห่วงตระกูลของเขาเองนี่แหละตระกูลของนบีสากรียาก็คือบันีอิสรอินกลัวว่าลูกหลานของเขาจะไม่เอาศาสนา กลัวมากเลยอย่ารออย่าได้ลูกอีกสักคนหนึ่งอัลลอ์ก็รับดุงอาอย่าลืมว่าคนที่จะขอดุงอาอัลลอ์รับเนี่ยมันต้องมีลักษณะพิเศษเหมือนกันนะหนึ่งเสื้อผ้าที่ใส่อาหารที่กินเครื่องดื่มที่ดื่มต้องได้มาจากเงินที่ฮาลาลแล้วก็ของที่บริโภคมันต้องเป็นของที่ฮาลาลตอยีบันด้วย เงินก็าหลารานอาหารที่ข้ า, ปาวป่าก็ต้องหลาร้านเสื้อผ้าที่สวมใสก่ก็ต้องหลาร้านรองเท้าที่ใสก่ก็ต้องหลารานเครื่องดื่มทุกชนิดต้อง ห, ล า, ลหอาร้านหมดขอดุกอาเอาลอรับเรามั่นใจแบบนี้อทีนี้เครื่องหมายว่าภรรยาของฉันทองมีเครื่องหมายยังไงตามธรรมดาคนท้องมราต้องมีแพ้อะไรนะแพ้่ทองนี่อลัลลอฮฺให้สัญญาณใหม่ ญญออก่าระบิดาใอความนี้ข้อความนี้ข้อคามนี้ข้อความัอคามนี้ขคานขอคามนี้ควาน อ, วาอาควาคนีาาาน้อควานอวามนี้ขอคานีอความอความนี้ข้คานอคามนี้ข้อความนี้ขอวามนี้ข้อคืนส่วนใหญ่นักทวามนีชา้ามีมน้อามน้้อาข้อีขอี้น้ อ้าวสามไนท์เขาเรียกว่า3คืนเอาหลักอุอายไปใช้ทั้งหมดเป็นพวกคนที่บริการทัวร์ตอนรับแขกอยู่โรงแรมฉันอยู่กี่วัน3 night 3 night ก็ผมเคยคุยกับพวกอะไรนะพวกที่เป็นนักนักธุรกิจด้านนี้ด้านโรงแรมเนี่ยว่ารับแขกมาอยู่กี่ไนท์สองไนท t 2 night 3 night 4 night เขาว่านไนท์คำ น, น, น, น, นว่ากลางวัน เอาคูรอารไม่ใช่ฉะนั้นในกูรอาร์ใย่านนี้พูดไงนะซาลาซาลายาลินสามคืนหมายถึงสามไนท์นภาษาอังกฤษนะไนท์นะซาวิยาซาวิยานี่แปลว่าอะไรนะสมบูรณ์อ่าทำไมอลัลลอฮ์จึงเล่าตรงนี้ว่าสมบูรณ์ล่ะเพราะในคัมภีร์ไบเบลิลพูดว่าเป็นบ่ายคือเป็นบ่ายอยู่สามวัน แต่อัานคุรานบอกว่าไม่ใช่ใบอัลลอฮ์สั่งไม่ให้พูดเขาเพียงไม่พูดตามอัลลอฮ์สั่งไม่ใช่เป็นคนใบไม่ใช่เป็นคนพิการไม่ใช่เป็นคนอะไรมีอุปสรรคไม่มีร่างกายยังสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ที่ไม่พูดนั้นเชื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตอาลาเป็นการลบล้างอัติดาของชาวคริสเตียนด้วยที่เชื่อว่า ภรรยาของนบีสักริียที่ไม่พูดนั้นเป็นใบ้น่ไม่ใช่ที่เป็นใบน้นะเพราะว่าคุรอ่านพูดว่าไม่ให้พูดกับคนสามคืนทั้งๆ ท, ที่ร่างกายยังสมบูรณ์ยังพูดได้แต่ไม่พูดเพราะเชื่ออัลลอฮ์สุบฮานะบุวุตะอลดาะเอาต่อมาวันนี้มาอายาที่ส1อ็ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن َ ب ح و ا ب ك ر ة ً وعشاء الحمدulillah อัลลอฮฺดีมากเลยนะนี Quran, Quran nah ian, ่เป <t os> ็น้องอ่านอ่านคัรอานเอาคัมภีรมาแปะตัวเรานะอย่าไปแปะชาวบ้านแปะตัวเรา เราทําตามอายา่านี้ได้ไหมฝ า, าครอบยาลาเกามิฮีนบีสการิยาเนี่ยได้ออกมาจากจากไหนรู้ไหมเมฮารอบเมหารอบเนี่ยแปลว่าโฮจุรอโฮจุรตุนลิลไอบาดาห้องโฮจุรอเนี่ยเป็นห้องหรือเป็นมุมสําหรับนั่งทำไอบาดาหรือยืนทําอิบาดา ห้องทำอิบาดะหรือพูดภาษาภาษาไทายก็ขอสวดมนต์อ่าจะไหมเป็นห้องใจะไหมสวดเอาไว้สวดมนเอาไว้ทำอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูบานาลาท่านอิมามในตับสียของบาหเมาเมาดิยวลิสซลาสถานที่ทำนามาดอีกท่านยาซอสพูดเราว่าอัลุรฟะ ลิสตัวละห้องสำหรับทำอิบาดะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์ุะเตาะเเละถ้านี่มิหารอบเนี่ยนะซับเดิมมันมาจากฮัดบุนฮารอบะแปลว่าทำสงครามฮัดบุนแปลว่าสงครามเขาถามว่าเป็นสงครามกับใครอะ่ะสงครามกระชาติย์น่ะไอ้ไหมในอัลกุรอานซึ่งขนาดไหนอะ่ะ เมื่าร์โรไปวาสถานที่ทําอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตาละมาจากรักษาสงคําว่าคารา์โรบ้าพับุญแปลว่าการทําสงครามถ้าว่าอยู่ในห้องสวดอยู่ในห้องทําอิบัตะสุดอยู่ต่อ Allah, อัอลลอฮฺยืนอ่านกุนอานหรือยืนอ่านคำพีตะโตะ ร, ตรอินยินซาบุอะไรก็ตามสงครามกับใครอ่ะสงครามกับไซต์อตอนเข้าใจง่ายไหมอัลฮัมดุลิลัย เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะมีนักตัฟซีดนี่ผมอ่านจากตัฟซีดภาษาอุรดูนะชื่ออัลสานุลบายานเป็นหนังสือของอาลิสุนะาเวลวั ล, ลจามาเลยนะครับอธิบายว่ามีคารอบแต่ว่าฮ้รบสถานที่เอาไว้ทําอะไรนะทําสงครามกับชายตอนอัลฮัมดุลีแลจฉะนั้นที่น้องที่ยืนนะมาหเนี่ยทําสงครามกับใครเขาชายตอจันนั้นอย่าพาชายตอเข้าร่างไปห่างๆอ่ะ ในสังเกตเนี่ยคนหลายคนใจลอยเน่ะั่งใช้ตอนน่ะนมาศไม่รู้ว่ากี่รออ้ออาจตรงสุดยูศาวีเนี่ยพ่อใครพ่อใช้ตอนแนั้นพอเราสุดยูศาวีใช้ตออัวกูสารลออมันไทยหลงดันสุดยูศาวีอีกกูแย่เลยจะนี้หลอกวันไม่ได้เนี่ยนบีมหมัดมาสอนให้เราเข้าใจง่ายๆนะ ฟะคารยาละกามีฮีและเขาได้ออกมาจากหอสวดหรือว่าห้องที่ทำอิบาดาต่อนะ อ, าาอัลลอฮ์นะฟะอัหอีไลฮิมายังมวลชนของพวกเขาอะละกามีฮีแปลว่ามายังมวลชนของพวกเขาหรือมาหาหมู่ชนของพวกเขาพอออกมาแล้วมาทำไง ฟอาอฮาอิไลฮิมแล้วเขาได้อาฮานี่แปลว่าเดิมแปลว่าวะฮีที่อัลลอฮ์ส่งอะไรนะส่งวะฮีจากชันฟ้าลงมาหานบีแต่อาฮาตรงนี้มาถึงบอกใบอบอกเพราะห้ามพูดเ่ยบอกใบทำเป็นมือเป็นไม้อะไรก็ตามแต่อย่างอย่างภาษาภาษามือใช่ไหมในทอ่าทัศน์นั่นละ่ะเขาเรียกว่าออาฮาเหมือนกัน و ْ ح َอาฮ ل َ ي ْลِ م ْบอกกับประชาชนเป็นภาษาใบนะฝ่าเอาฮาอิไลฮิมบอกเป็นภาษาใบเนี่ยบอกว่าไงอันซาบิฮูจงอะไรนะจงสะดดีจงตัสบีต่ออัลลอ์บอกเป็นภาษาใบว่าคุณเนี่ยต้องสรรเสริญขอบคุณสะดุดี บุคราจันในช่วงไหนยามเช้าเนี่ยเชา้ชาๆช้าอย่างเงี้ยไม่ให้นอนตั้งแต่สมัยนบีซักริยาแล้วเชาว้ชาๆช้าไปทำอะไรให้สรรเสริญต่ออัลลอ์อย่างแล้วก็นามาสุบโบเสร็จแล้วนามาสุบโบเสร็จอย่าเพิ่งนอนเพราะนาบีสั่งบอกว่านาวมุสุบ ح, การนอนตอนเชา้ชาๆช้านั้นย้ำเนาริสกริสกีนั้นถูกยับยัง้ง ริสกีเนีเ่ยอัลลอฮ์ให้จะไม่ผ่านคุณน่ะแล้วเมืม่อคุณนอนหลับทับเสร็จอยู่คุณไม่เอาอ่ะฉะนั้นนบีเคยไปเยี่ยมลูกสาวตอนเช้าเช้าชื่อฟ า, ฟาฟาติมะน่ะท่านหญิงฟาติมะนบีเห็นลูกสาวนอนนบีก็ปลุกเอาเท้าเขียบอกพูมี่พูมี่ลูกลูกลูกลกอย่านอนตอนนัมมาสุบโบ อ, อย่านอนหลังจากนัมมาสุบโบจนกว่าตะวันจะขึ้น ดิอันัลลอฮยกซิมาอนนัสเพราะว่าแท้จริงอัลลอฮนี่นะจัดสรรริสกีให้กับมนุษย์ตั้งแต่รุ่งอรุณขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นฉะนั้นคนจะนำเอาสุนนะนบีปกตรงนี้ไปใช้จะเริญหมดนะพวกเราเนรู้ไหมรู้แต่ปฏิบัติั้มมึงจะทำในคณะใหม่นะ อัลลอ์เอาสุนนะนบีมาช้านี่เรียกว่าคนะไม่ก็บอกใิ้ฉันไม่อยากจะทำตามสุนนะนบีท่านสุนนะนบีีปนอนครับก็คือไม่นอนหลังจากนามาตสุบอไอคนป่วยมันมีปัญหาคนจะกล้าอินนาริล่าแรง ก, ก่อนนอนไยใช่ไหมยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนอนทำไมติดนิสัยตั้งแต่อยู่หอพักโอ้โหยู่อ้าง ถ้าอยู่หอพักนู่นน่ะเป็นเป็นนักเรียน น, น่ะแต่ในเธอไม่มีเสียนได้นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าอ้างติดนิสัยตอนอยู่หอพักเรียนปัญญาโทรเรียนปัญญาตรีอยู่ในถางประเทศติดนิสยัยเลิกให้หมดสุนทร น, นบีมาบังคับให้เลิกให้หมดเพราฉะนั้นนามาสุโบตื่นแล้วอย่านอนถ้าจะนอนก็นอนหลังจากตะวนันขึ้นแล้วนะครับนี่ นบีสักรีย า, าออกมาจากหอสวดใช่ไหมออกมาจากที่นมาศแล้วสั่งให้ประชาชนเนี่ยสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ใช้ภาษาใบฟอาอูฮาอิลัยฮิมอันซับบิฮูซับบิฮแว่สาสรรเสริญขอบคุณสดุดีแท่ซองต่ออัลลอฮ์ยามเช้าบุคคลาันยามเช้าวาอาชีอันแล้วก็ยามอะไรยามเย็น ก็สแสดงว่าทั้งวันนะะ่ะรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ละหมดุลิลลดีไหมดีนี่พี่น้องอย่ามองว่านั่นสมัยสักะริยาเรามันสมัยนี้ต้องไปจำเลือกถึงอัลลอ์ใช่ได้ไหมไม่ได้นี่มันคุรานนะอัลลอ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังแล้วก็คนที่อ่านคุรานอายาเ น, นี้ก็ต้องนึกโอ้ยนี่นบีสักะริยานะ่ะ เขายังสั่งคนของเขานี่นะอุมมาของเขาเนี่ยให้อะไรให้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ ح ا ن ه ะุ์ุาะจักาลยามเช้าแล้วก็ยามเย็นในทัฟซิดอธิบายว่าไงรู้ไหมคุณรู้วัดตินทุกเวลาเลยอย่าลืมนึกถึงอัลล์ะุ่วะาลทัฟซิอธิบายอีกนะนี่ภาษาอุ ด, ดูนะดาวามอิบาดาตแห่ดินรัตอิบาดาตแม้ละเกะละเกะโฮ แปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าดาว่าอิบัตัดให้ทําอิบาตด้าดาว่าแปลว่าสม่ำเสมอดินราธทางกลางวันและกลางคืนอิบาตด้าแมลเรย์ละโฮให้ใจนี่นะผูกพันกับการกำลังนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เย็นก็ได้กลางวันก็ได้เช้าเช้าก็ได้ตกลงมาทั้งวันนี่นะจะทําอะไรก่อนนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลา เดี๋ยวจะออกจากมัสยิดนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมว่าไงอัลลอฮุมะเย็นนี้ไม่ใช่ฮะดอาอิอิอัลสุรว่าไงอัลลอฮุมะเยนนี as ah um aluka ming fatulik ใช่ไหมพอจะใส่รองเท้าบิสมิลลาห์พอจะออกเท้าไหนเท้าวขวาอัลลอฮ์ทั้มดน ฉะนั้นเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามต้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานี่แหละที่ท่านนาบีอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของนบีสากรียาให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่อจะปลอบใจนบีว่าไม่ใช่ท่านคนเดียวนะที่รำลึกถึงอัลลอฮ์นะทุกนบีที่ผ่านมาก็นึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันและทุกนบีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สั่งอุหมะของเขานั้นให้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ ให้สดวดีต่ออัลลอฮ์นี้ภาษาที่สะดวดีว่าไง س ุบ ا อัลลอฮแล้วก็อัลฮัมด il ุลิลลา์ลาอิลอิลลลอฮนี่ภาษาที่สดวดีดยิ่งอ่านนั่งอ่านคุรุอ่านแบบนี้อันนี้ร้อยเเซเลยเป็นการสดวดีต่ออัลลอ์นึกถึงอัลลอ์ที่เต็มร้อยเเซเลยไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการอ่านคุรุอานใช่ไม่ใช่สุบฮก็นมาแล้ว อัลกุรอานมาอ่านอัลฮัมดุลิลลา์นี่เป็นการรำลึกถึงอัลลอะ ت ครับที่อ่าจหวัดปักกอบตัดสินของคุณแม่ นี่จะอธิบายต่อไปนี่แหละจะอธิบายต่อนะคนในรูปยุคยุค ก, ก่อนเนี่ยนะยุคบรรดาิสรอเอลเนี่ยอัลลอฮ์จำกัดถ้าจะเฝ้าเข้าเฝ้าอัลลอฮ์จะทําอิบาราตต่ออัลลอฮ์นี่เขามีที่เฉพาะนะต้องมีฮารอบนอกมีหารอบทําไม่ได้ไม่อนุญาตให้ทําขอบคุณอัลลอฮ์พอมาสมัยนบีมุฮัมมัดสุลลามี่กุลลุลอัลอารดุคุลลูฮามสัสซา jid สถานที่ทั้งหมดแผ่นดินนี้เป็นของอัลลอ์หมดเลยสามารถทำอิบัดต์ตรงไหนก็ได้ยกเว้นหลังคาใบตุ่นล้อยกเว้นที่กองขยะยกเว้นที่คอกสัตว์ยกเว้นที่กลางถนนแล้วก็ในซ่วมประมาณอยู่เจ6ดหหแห่งเท่านั้นเองนอกนั้นทำนมาดได้ตลอดเวลาทั้งๆที่อัลลอ์พูดอย่างนี้คนยังขาดนมาดเต็มได้ใช่หรือไม่ใช่ อ้างอ้างอ้างอะไรสถานที่ไม่มีแล้วนะอ้างผ้ามันเป็นมั น, มนม อ, อ๋อถูกขังไม่มีปัญหาถ้าอยู่ในห้องนห้องขังดีมาไม่มีที่เลยไอท้ที่ที่เขาที่เขาให้ใ ห, ให้น้อนนะ่ที่นั่นละนำมาดไปเลย นอกจากแล้วก็เว้ น, น่าย็นในส่วงอย่าบนมานออกมายืนปากปา ก, ก่าตัวส่วงก็แล้วกันถ้าจำเป็นเนนายุนปัญหานี้อยู่ว่าเรานึกถึงอลัลลอ์หรือเปล่านึกว่าถ้านึกเนี่ยยังไงยังไงคนป่วยในโรงพยาบาลลูกหลานไม่มาโอ้โหปลไปวันนึงไม่มาเลยแล้วก็พ่ออยู่โรงพยาบาลคนเดียวผ่าก็เปือนอะไรก็เปื่อนนำมาท่านเพื่อนๆนั่ น, นะละ ไม่มีปัญหาเลยนามาดไปเลยน้าน้ามาดไม่ได้อแต่ยามุมบนเตียงนั่นแหละเ อ, มอามือทาบโลบหน้าอือออรอรอรอฉัชลูกไหมมาเอาเลยไปนอกไม่มีปัญหาทําได้เลยปัญหาว่าใจถึงเปล่านึกถึงอัลลอฮ์เปล่าไอ้ตอนป่วยนี่นึกถึงใครนึกถึงหมอมากอัลลออีกใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หมอจะไปไหนอัลลอฮ์จ๋าไม่มีอา้าว อัลลอฮ์จ้าจะะใครพูดนบีอิบราฮิมลยอิสลามอละห้ฟังเน้นเลยนบีอิบรอฮีมลยอิสลามตอนที่ถูกจับจะโยนสายไฟอะยิบรีน ล, ลงมาถามจะให้ฉันช่วยไหมท่านฉันไม่เอาอัลอเอาหมขณะญิบรีนนายายสุดแล้วนะฉันไม่เอามาลายกาฉันไม่เอาเอาอัลลอฮ์แล้วเป็นไงเพราะว่าไงอัลลอฮ์สั่งไปเยินจบเลยเห็นไหม ไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะเย็นแล้วตายกว่าเยอะบัดดานวาซาลามันตอต่อท้ายอีกเย็นด้วยให้ความสันติด้วยถ้าเย็นอย่างเดียวมัาตายไหม <c oughs> อ, อ๋อผมเคยเป็นนอนจังหวัดอะไรมาแจกปรจจานิย า, อ, าอ๋อพระอากวัตรพรวันึกนะนี่ถ้านอนอยู่ในกุโบโยเย็นแบบนี้นะเสียบร้อย <c oughs> เย็นหนาวแล้วก็ปวด พวตาตูอลัลลอฮ์ปวดสะพานเลยนอนไม่หลับเย็นอย่างเดียวนึกถึงน บ, บีอิบรอฮีมยาอลัลลอฮ์ขอบคุณอลัลลอ์ที่อลัลลอ์พูดว่าไงนะบาร์ดานวาซาลามันเย็นแล้วให้ความสันติด้วยสองรายการนะครับาต่อมาครับพี่น้องที่ท่านเฉลิมเนี่ยถามเนี่ยดีไหมดีมากเลยครับเดี๋ยวนี้หมดหมดสิทธ์นะจะรออาหมาดในเมิารอบอย่างเดียวได้ไหม ไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยบังคับให้ทำอิบะดาต่ออัลลอ์เฉพาะในที่ที่อัลลอ์จัดไว้เท่านั้นเองเรียกว่ามียรอแต่สมัยนี้เปิดกว้างเลยทั่วโลกหมดเลยสนามบินนมาได้ไหมได้ยกเว้นการถนนหลังคาใบาตัวลอดได้ไหมไม่ได้แต่อิหมามฮานนฟีว่าได้อ่าเป็นต้องเชื่อใครอิหมามอบูฮานิฟาบอก ว, ว่านามาดบน หลังคากาบา น, นาดาจากนบีห้ามไม่ให้นามาสคุณต้องเชื่อใครเชื่อใครนะเชื่อนบีที่เองขึ้นมาซีโพซอรีตีแน่แล้วมึงขึ้นไปนมาสบนหลังคากาบาทําไมเอาใค่ะผมมาถัมพานาฟีก็เอเออามาไปไงั้นก็เพราะนั้นต้องต้องซูนน่านบีอย่างเดียวเลยนะเอาต่อมาครับตัวหลวงว่า ให้ตสบีต่ออ al il all il la, ัลล์ให้สรเสริญต่ออัลลอฮ์สัตดีต่ออัลลอฮ์ในยามเช้าละยามเย็นหนึ่งนมาดยาขาดสองอ่านคุรานซิกรุลลอสม่ำเสมอปากว่างๆให้ทาไงสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาห์อิลลัลลอฮอัลลอฮอักบลาอิลาอิลลัลลอฮหดะฮลาชกะละลุลมุลกวะลุลฮัมดวะฮวะลกุลลิชยิกอดีนี่ดูอายามเช้าดูน้องทอมเธอนะ เรากล้าจะตายกันแล้ว อ, อ่ะต่อมาอายาที่สิบสองอายา t h i หลังจากนบีสักกะียาพยาคอดลูกแล้วพอคอดลูกแล้วลูกทีสมบูรณ์จะมั่มน่ารักใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งนบียะฮยาเลยยายะฮียาขุซิลิตาบะบิควะ และแตน่า ห, ha signed, ห enrolled, ุล <oons> พุทมาศบียะหลังจากพริยาของท่านนบียะกียาอะลัยฮิสสลามได้คลอดบุตรชื่อยะหยาและเจริญเติบโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับอัลลอได้ทรงสอนความรู้จากคำพีเตอรอ์ให้แก่นบียะหยานี่คำอธิบายนะคำแปลต่อมา ยายา ah hya โอ้ยา hya ah เอยอัลลอฮ์นี่อัลลกก ah นะอฮ์เรียกกรยายาเนี่ยดีใจมหอย่างรักว่าดีใจนะย่ายูซุฟอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกข้างบนนะอัลลอ์มีชื่อฉันด้วยนะยายา hya ยา hya เอยคุริลกิตาหลังจากที่ฉันได้สอนมีคนมาสอนน่ละมาสอนคัมีตาลงตาลอให้ยา h ยา อ่านออกเข้าใจอะไรแต่อะไรเสร็จแล้วใช่ไหมพี่น้องอ๋อสั่งคุซิลกิตาจงยึดนะคุซแปลว่าจงยึดไม่ใช่ถือทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ยึดหมายถึงจงนำเอาไปปฏิบัตินะ อ, อ่านคำพีเตอร์แล้วได้ความรู้แล้วจงเอาความรู้จากคำพีเตอร์ยึดแบบไหนบีกูว์กูว่านี่แปลว่าไงนะอย่าง ให้มั่นให้มั่นคนจับให้แม่นจับให้แน่นเห็นไหมเพื่น้องเอาเอาอาญาห น, นี้มาแปะตัวเราเพื่น้องที่อ่านคุณอ่านมาแปะตัวเรานะวันนี้เรามีอะไรอยู่ในมือเราคุณอ่านใช่ไหมยึดกุณอ่านให้แน่นเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยึดอะไรนะคำกีตาอะไรนะ บัญณียีให้แน่นไม่ใช่ใช่ไหมนะอัลลอฮ์บรรัีีมันแค่ตำราเล่าประวัติของนบีมุฮัมมัดหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วหกร้อยกว่าปีท่า น, นยึดกุลแานให้แน่นหาความรู้จากอุลแอนให้แน่นศึกษาให้ให้เข้าใจให้ดีอัลลอสั่งนบีสบียาฮยาคุริลกิตะบากูวะจงยึดเอา คำพีเตารอหรืออินจีเนี่ยให้แน่นใช่ไหมอ๋อสั่งงั้นให้ปฏิบัติตามคำพีนะครับเตารอนะครับคำพีเตารอให้แน่นวอาตัยนาฮุลฮุกมาซาบิยะและเราได้ให้ยาฮยานี่ะมีความเฉลียวฉลาดฮุกมาเนี่ยฮุกมาเนี่ยมีคำว่าเฉลียวฉลาด นะมีความฉลาดมีความเฉลียวคำว่าฮุกมากเนะี่ยมีอยู่หความหมายนับศีกิมนุกสีอธิบายอย่างนี้หนึ่งอันฮุกมากแปลว่าความรู้ knowledge นะอันที่สองความเข้าใจนะอันที่สความพยายามนี่ลเลาให้นะให้กับนบียะฮยานะหนึ่งให้ความรู้สองให้ความเข้าใจเข้าใจอะไรง่ายนะ อันที่สามความพยายามไม่ใช่ขเกียจไม่ใช่ในความพยายามสความตั้งใจดีหการมุ่งหน้าทำแต่ของดีๆเรื่องใ ย, ยนะใจเนี่ยไม่เคยนึกทำชั่วเลยทำแต่ของดีดีดี ด, ดีอย่างเดียวนะข้อที่หกความเสียสละอ่าเสียสละเนี่ยเนี่ย อัลฮุกมาดมีความหมายอยู่หความหมายมาเชิหมีอยู่ห้าความหมายพี่น้องนะหนึ่งความรู้สองความเข้าใจสความพยายามสี่ความตั้งใจหการมุ่งหน้าทําความดีมีหกมาใช่งห้าหความเสียสละครับดิลิลาเนี่ยอัลฮุกมูมมีความหมายกว้างมากเลยจากนั้น Allah บอกว่าว่าใตนาฮุลฮุกมาเราได้ประทานให้กับยัยอะไรหกรายการนั่นแหละความรู้เฉลียวฉลาดความพยายามความตั้งใจการมุ่งนำตั้งหน้าตั้งตาทำความดีการเสียสละโอ้โหถ้าอยู่ในคนคนเดียวนะ่ะดีไหมถ้าอยู่ในตัวเราสักห้ารายการดีไหมแค่รายการเดียวจนะากยาขีเกียรตเท่านั้นแหละมันก็นดีอยู่แล้ว นี่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่าฉันให้กับนบียะฮิยา ah ah ah, ขนาดนี้ฉันเรต้องขออุทิศต่ออัลลอฮ์นะมีลูกอยากอัลลอฮ์ให้ลูกดีอย่างนาบียะฮิยา ah ah. เ อ, อื้อกอ้า ง, างได้เลยเพราะเราอัลตับซินมารารู้เนี่ยยาอัลลอฮ์ให้ลูกฉันเนี่ยคนแรกเนี่ยนะขอให้ดีอย่างกับนบี y ah y ah y ah, ยะฮิยาโดยเถพาอยาอัลลอฮ์บางทีเราขอไม่ถูกกับุกข้อมันไม่ได้จําเนี่ยขุขอ้ขออะไรนะอ้างอยาอัลลอฮ์ ให้เหมือนนบียายาไปแล้วกันฉลาดเกง่งตะอกต่างใจทำความดีเสียสละอะไรพวกนี้นะซอ บ, บีตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่แล้วเห็นยังอ่ะพอเกิดมาตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยอัลลอ์ให้แล้วเชีนี้ถ้าเรามีลูกอย่างนี้น่ะดีั้ยโอ้โหต่างใจทำความดีเฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็พยายามแล้วก็หาความรู้ ต่างหาต่างตาทำความดีเราต้องขอดูอาต่อเรอให้ลูกเราเป็นคนแบบนี้มิตซิสธอธิบายต่อไปอีกนะครับอธิบายอย่างนี้ท่านโมอัมมัดได้กล่าวบอกว่าก่อนเสิบยานลิยาหยาบินจาการยาหลายๆครั้งเนี่ยเด็กๆในรุ่นเดียวกันกับกับยาหยาเนี่ยชวนยาห ย, ยาว่าอิสฮับบินาณลาบ ไ ป, ไปไปเราไปเล่นกันบ้างนะคนโดดคนโดดโดดอยู่ก้าวสนามบ้างไม่ได้เลยชวนนบียะยาจางเล็กๆอยู่เลยนะเด็กๆเพื่อนๆเนี่ยชวนไปไปไปเล่นกันอยา่างพวกเราเล่นอะไรเล่นทอยกองเล่นกันโดดเห็นไหมวิ่งกันอะไรกันฟา ก, กอล่ะยายาตอบว่ามาลิลาไลพี่เขลักนาะเรามาถูกถูกสร้างมาให้มาเล่นที่ไนะ เนี่ยมีอยู่คนเดียวนะเด็กคนเดียวที่นึกตลอดเวลานึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ม่ได้สร้างฉันมาให้มาก็โดโดโหลดเต็มเห็นไหมนีน้อยมากนี่ไงเห็นหมเห็นอย่างท่า น, นทุกเวลาของยายาดีมีแต่เรื่องอิบาดต่ออัลลอห์ความรู้ศึกษาอยู่กับประชาชนอัลลอฮ์อักุบันอันนี้เป็นต้นนะตุลองว่าและต่อมาอัลลอ์ก็ด้บรรทัดอัลกุรอาน คำี้อยาย่นี้มาอธิบายที่นบียะยาพูดว่าไงนะฉันเนี่ยมัได้ถูกสร้างมาเพื่อมาเล่นว่าอาไตนาหุลเขามาสบียาอัลลอได้ทรงสอนความรู้อาไตนานแปลว่าสอนหรือให้นะอย่าลืมพวกเราเนี่ยที่มีโอกาสมานั่งฟังตัฟซีตเนี่ยนะนี่ใครให้เนี่ยอัลลอให้นะธรรมาเองอะ ่าเป็นนึกเราจะมาเองอ่ะนี่ a l ล a h ให้มาล l l a h hamdulillah อัลกุบฉะนั้นที่เราตื่นนอนมาได้มันนัง่งฟังตะศิษฐ์เนี่ยลล l a h ให้นะฉะนั้นพี่น้องห้ามตะกับบุตร <c oughs> ห้ามเยอ่อหยิงห้ามจองหองว่าฉันแน่ใช่เนี่ยต้องขอบคุณ a ลล่ h อย่างเดียว a ลล a h ให้ฉันตื่นนอน ทำจนนอนตีหนึ่งมาคืนเนี่ยจะ ต, ตื่นสุบโูโบได้แล้วก็มาเนะี่ยมาที่มัสยิดมานั่งฟังตัฟซีดอัลฮัมดูเลเลยิ่งใหญ่เหลือเกินนะอัะต่อมาครับอยายะที่13ทีนี้อีกคำหนึ่งอัลฮุกมูนีนะแปลว่าอันนุบุหะก็ได้ตำแหน่งการเป็นนบีว่าตใยนาฮุลฮุกมาฟอบียและเราได้ให้ กับยะยาตำแหน่งการเป็นนบีก็ได้นี่ใครพูดนะในตัศิษอิบลุกาซิธอธิบายไว้นะครับอันต่อมาอายาที่สุบสามวานานามิลุดุนาวาจาตาวะกาะตาคียา วะฮันนันมิลลาดุนและ Zakat و كانت قيّة ฮันนันอ๋อเนี่แปลว่าไงนะหัวใจที่อ่อนโยนอัลลอฮฺอัลกบะดใครมีลูกมีหลานหรือภรรยากำลังจะตั้งท้องเอาคำนี้ไปตั้งได้ไมั้ยได้ชื่ออะไรฮันนันอ่หนาหรือฮันนันอ่าฮันนนแปลว่าอะไรนะ คนที่มีหัวใจที่อ่อนโยนอัลมิลลัดุนน่ไอ้คุณสมบัติแบบนี้นะ่ะใครให้คุณสมบัติที่ไม่กระด้างนะไม่กระด้างใจอ่อนน้อมท่อมตนแล้วก็เป็นหัวใจที่อ่อนโยนเนี่ยได้มาอยังไงคุณสมบัติประเสริฐอย่างนี้นะ่ะหาได้จาก1ิคอนสแควร์เจอไหมเจอได้ไม่เจอ ไปเดินที่ซีคอนเนี่ยไปเจอไปเดินที่ยงเจรเนี่ยตอนสี่ทุ่มเนะ่เจอไหมเจอแจ่ผู้หญิงแก่ผ้าก็ยิ่งดูมากๆน่ใจนิ่มหรือใจแข็งก็ด่างหมดเลยฉะนั้นหัวใจที่นิ่มนวลนั้นมันก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดด้วยอัลลอฮ์ประทานให้ฮานานฮานา น, นความอะไรนะความมีหัวใจที่อ่อนโยน เป็นการประทานคุณสมบัติจากไหนมิลลาดุนานะจากเราอัลลลเลาะห์เองนะจากเรานะฉะนั้นมนุษย์ที่มีนิสัยดีอัคลากดีและพ่อแม่อบรมดีเนี่ยนะนี่ความคุณสมบัติดีๆอย่างเงี้ยได้มาจากใครมิลลาดุนานะได้มาจากเราเอาลัลลอฮ์จากอาลัลลอฮ์เห็นอย่างฉะนั้นลูกไม่มีสิทธิบบ์กระมพ่อไม่มีสิทธิ์ด้วย ขอบคัวฉันอ <ś led> ืฉันหนึ่งเลยอบรวมลูกแก้วหมดตะกบุดคุยทำไมขอบคุณ อ, ลอัลอ ล, อลอฮ์อนู่นอัลลอฮ์ให้พ่อแม่มาดีอัลลอฮ์ อ, อลัลลอ์ให้ลูกท่านดีเชื่อฟังเชื่อฟังพ่อแม่อลัลลอฮ์ต้องขอบคุณอลัลลอฮ์สะพานนหวาารนะวาฮานานามิ ล, ลดุนนาการมีหัวใจที่อ่อนโยน เป็นการประทานคุณสมบัติดีๆอย่างนี้นะมาจากใครมิลลัดุลนาจากเราจากอัลลอฮ์เลยนะะ้ออัลลอฮ์ Allah เอาสิฟธัตของท่านเนี่ยให้มานิดนึงยังไม่ให้กับบาปของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงพอใจแล้วก็ประการที่สองวาจาการ น, นี่คุณลักษณะเด่นอีกข้อหนึ่งที่ประทานให้กับยาฮยา ใจอ่อนโยนแล้วไม่พออะไรอีกสากาตันความบริสุทธิ์อัลลอฮฺอัลลอฮฺ z a k a เนี่ยเราเพราะว่า z a กาดเงินเป็นเงินจะต้องจ่ยงายตะกง zakat ใช่ไหมนั่นเป็นคําอธิบายอีกอย่างหนึง่ง zakat ต, ตรงนี้หมายถึงมีความบริสุทธิ์นะอธิบายอย่างนี้พี่น้องที่มีเงินแล้วจ่าย zakat ถาา้าให้หัวใจของท่านบริสุทธิ์ ทำให้เงินของท่านที่เหลืออยู่สะอาดบริสุทธิ์ดีั้มแล้วก็อากาศนี่แปลว่านมูแปลว่าอะไรนะ increasing เพิ่มเติ ม, ต, มตลอดเวลาฉะนั้นคนที่จ่ายอากาศนะอารมณ์ไม่ทำให้ครอบครัวนี้นะ่ะยากจนฉะนั้นอากาศเนี่ยอธิบายอีกอย่างหนึง่งฮัสซีโนอัมวาและกุมบิสกาจงรักษาทรัพย์ของสูเจ้าด้วยการ บริาจาคอากาศพอบริาจาคอากาศปั๊บนี่เงินที่เหลืออยู่อลัลลอฮ์จะรักษาเลยถ้าจะจ่ายก็จ่ายเฉพาะช่องของดีดีดีดี ด, ด, ดีไอของชั่วช่วเนี่ยอลัลลอฮ์ปิดใจไม่ให้คิดเลยท่านขอบคุณอลัลลอฮ์ท่านั้อากาศตรงนี้หมายถึงมีความอยู่แบบบริสุทธิ์สะอาดไม่มีไม่มีนะไม่มีซิน่าไม่มีดาไม่มีมมมมมมมมทะเลาะกับชาวบ้านใช่ไหม หัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺสุลตานาหูวาตาละตัวนีว่าสองคุณลักษณะนะพิเศษที่อัลลอฮฺเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเล่าให้เราฟังก็คือฮานานานิจใจอะไรใจที่อ่อนโยนจากใครมิ ล, ละดุนมาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺประทานให้แล้วข้อข้อที่สองคุณลักษณะนะเด่นที่อัลลอฮฺพอใจเรามอบให้จากการความบริสุทธิ์อัลฮัมดุลิลา เราพอดูอายาโรคา้ฉันเป็นสองอย่างนี้แหละหานานันวาสกาท่านนี่พวกเยอะนะถ้าใจไม่กระด้างอย่างเดียวเนี่ยพวกเยอ ะ, ะั้มโอ้โหเพื่อนเต็มเลยอยากจะคุยกับคนนี้มโหแค่นันม่มันนั่งยิ้มดูเลยใครด่ามันมันยิ้มเฉยไปเอาไปแต่ท่านมิสิัตเนี่ยท่านถูกด่าเยอะดังนั่งเฉยเฉยคุณเฉลิมเนี่ยทำอย่างไร ผมเคยเห็นใครดา่าท่าอยู่ศูนย์กลางวันนะั้นน่งยิ้มไงวานานามมิลลัดุนนเอา้าวสิ่ฟัที่หนึ่งอะไรนะมีหัวใจที่อ่อนโยนประการที่สองสากาตันมีความบริสุทธิ์มาจากใครมิลลัดุลนะจากเรานะอัลลอฮ์ให้นะจากอัลลอื์ ข้อที่สามอีกวากาาตาตีอัลลออักบารข้อที่สามนี่เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เด่นที่อัลลอพอใจก็คือเป็นผู้สารวมตนจากความชั่วนี่สามสิฟัดในคุอ่านอายะนี้เราวันนี้เอาสามสิฟัตนี้มาไว้ในตัวเราได้ไหมอัลลอฮอักัาร์เน่งนานันหัวใจที่อ่อนโยน ไม่กล้าดังนบีมุฮัมมัดอย่างนี้นบีทุกคนส่วนใหญ่มีสิทธิ์แบบนี้อัลละมะทุกคนมีสิทธิ์แบบนี้สวบ้านนบีทุกคนมีสิทธิ์แบบนี้หัวใจที่อ่อนโยนประการที่สองสากะจันเป็นคนองไรนะบริสุทธิ์สะอาดสะอาดทั้งปากสะอาดทั้งใจสะอาดทั้งมือสะอาดทั้งเท้าสะอาดทั้งตาหูจมูกหมดเลยเพลงนี่นะฟังเยอะๆไม่ดี เพราะว่าคนที่ฟังเพลงเนี่ยนะมันทําให้นิฟากนิฟากแปลว่าหน้าไหวหลังรอเกิดขึ้นที่หัวใจมันจะเจริญงอกงามขึ้นที่หัวใจฟังเพลงบ่อยๆเหมือนการเอาน้ําเนี่ยมารดต้นไม้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันตายหรือว่างามต้นไม้ตายหรืองามงามนิฟากมันจะเจริญขึ้นในหัวใจถ้าฟังเพลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันหัวใจตายได้หรือหัวใจ คือถึงก็ล้ะหัวใจตายด้านอย่าลืมนะฟังเพลงเยอะๆเนี่ยหัวใจาตายด้านหัวใจนิฟากพระพูดอย่างงี้โอ้โ oh, ห oh, เนี่ยจ้าเนี่ยอะไรกนะ็ดูละครบ้างก็ไม่ได้ก็ดูมากี่ปีแล้วล่ะอาอยุหกเสยบยังดูละครอยู่เลย <laughs> นี่ผู้หญิงด่าลำงานเนี่ย วะฮานานัมมิลละดุนนาวะจักะตะวะกะนาตะเกียมีสามคุณละพิเศษนะนะครับหนึ่งอะไรนะหัวใจที่อ่อนโยนในตัปสิทธิ์อธิบายอย่างนี้คนอื่นจะประทานหัวใจที่นิ่มนวลให้กับคนคนหนึ่งไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวคนอื่นไม่มีสิทธิ์ตัวตะเกียไม่มีสิทธิ์เลยตัวระยอมก็ไม่มีสิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนโลกนี้ประทานอะไรให้ใครไม่ได้สักคนหนึ่งนอกจากอัลลอฮ์องเดียวข้อที่สองอะไรนะสากะจันหัวใจสะอาดบริสุทธิ์จากสิ่งสุขรกไม่ทำชั่วไม่ทำบาปตักตี้ยัน ต, ตักตีลันตักตยันอธิบายอย่างนี้จาตุรุนเป็นผู้ที่สะอาดฟลัมยาฮุมมบิดัมบินไม่ตั้งใจไม่คิดที่จะทำชั่วไม่คิดนะ คำว่าตักตยันตักตยันเนี่ยข้าคนที่มีตักวาเนี่ยอธิบายยังไงคนที่ไม่คิดทำชั่วอย่างพวกเราเนี่ยคิดจะทำชั่วก็มีเหมือนกันแต่มันทำไม่ได้วันหล่ออยากทำมาไปเห็นหืมหนานนี่มันสวยจังเลยฮอยากไหมอยากแต่คนมุตตากีนจริงๆน่ะจะเห็นสวยแค่ไหนไม่อยาก ต้องขอโทษอะเยอะๆนี่สิฟัดข้อที่สามดีไหมโอลโหดีมากเลยไม่คิดที่จะทำชั่วข้อที่หนึ่งคันนนใจอ่อนโยนข้อที่สามสกาตอยู่อย่างบริสุสทธิ์สะอาดตะตี้สำรวมตนจากความชั่วอธิบายยังไงไม่คิดในใจไม่คิดเลยที่จะทำบาปอ่ะนี่บางคนนี่นะจะไปทาจะไปทำซีนาเนี่ยแหละ แต่วันนั้นนะทําไม่ได้ ม, ม, ม, ะะ ม, มูดีมะป่วยมาว่ามามาดเอ้ยมาพามาไปโรงพยาบาลหน่อยครับครับครับครับแต่ที่นายได้เนี่ยถ้ามะไม่นัดนี่นะไปะทำดีนาแล้วนี่อัลลอฮฺทรงมากมาให้ป่วยเพื่อจะปกป้องคุณแม่ทาดีนาขอบคุณอัลลอฮฺสุบ า, านอาบูบัดาละมีเดทกันแล้วตอนนี้มะมาป่วยอัลฮัมเลยผ่านพ้นไม่ต้องทําดีนา Allah. อัลลอฮฺฉะนั้นสามลักษณะพี่น้องจำให้ดีนะ หหัวใจที่อ่อนโยนสองสะอาดบริสุทธิ์นะอันที่สามไม่คิดเลยที่จะทําความชั่วคิดแต่เรื่องดีดีดีดีอย่างเดียวนะครับสรุปนะครับนบียะฮิยาเป็นคนดีนะอัลลอฮฺได้ทรงประทานให้กับนบนียะฮิยา5รายการในตัฟฟิซอธิบาย5รายการในอัลกุรอานสรายการเอ้าดูดูอัลลม่อธิบายยังไงหนึ่ง ให้ชีวิตที่สะอาดนะให้ชีวิตที่สะอาดสองให้เป็นคนไม่ทําบาปและไม่คิดที่จะทําบาปเลยนะข้อที่ส ม, มีจิตใจที่เมตตาข้อที่สี่มีหัวใจที่นิ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนข้อที่ห้ามีหัวใจที่สงสารคนมันก็คล้ายๆกันแหละแต่เขาแยกแยะทำเดียวลีลาตัวหลวงว่าซิฟัตที่อัลลอฮ พูดและกะพีกุรอานเกี่ยวกับนบียะฮิย า, ยาสอนเราวันนี้เหมือนกันว่าถ้าจะเป็นคนดีต้องเป็นคนดีสามประสาทนี้หนึ่งอ่อนโยนหัวใจอ่อนโยนอย่ากระด้างสองอะไรอยู่แบบสะอาดบริสุทธิ์ข้อสามไม่คิดจะทำของบาปบาปบาปบาปบเข้าใจนะทำอย่แล้วขอบคุณอัลลอฮ์ผูพานุบาตอาลลอพี่น้องครับอายที่ส วบรัมบีวะลิดายวลามยักุนจับบารอน عص ียาวบรัมบีวะลิดายวลามยักุนจับบารอน عص ียาอัลลอฮฺอายะนี้ดีมากครับพี่น้อง a y a ะแรกๆเนี่ย ให้คิดถึงอัลลอ์ให้สารเสรินต่ออัลลอ์ให้สิ่ดีต่ออัลลอ์ยามเช้าแล้วก็ยามเย็นคือตลอดทั้งวันนั่นแหละนะให้กล่าวว่าง่าย سبحان อัลลอฮ์ الحمد لله لا إ ل ะ إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الم هو, له الملك وله الحمد วะ و ع ل า ه كل شيء قدير นะจาโยอะุขับรถกล่าวได้ไหเดินกล่าวได้ไห ม, ก, ไไหมกำลังเช็ดบ้านกวาดได้ไทำได้ไ ได้หมดเลย o, อัลลออบัุลาอามอายาที่ส4ว่าบิรรมบิวาิดัดหลังจากนึกถึงอัลลอฮแล้วไม่พอความดีขั้นที่สองรองลงมาจงทำดีบิรรันแปลว่าทำดีหรือจงสนองคุณของใครครับบิวารีดฮีต่อพ่อแม่ทั้งสองเห็นอย่างครับ คนที่มีศาสนาคนที่มีอัลลอฮ์นามาตสะอาดคิดถึงอัลลอ์ชมอัลลอฮ์สารพัดทำดีหมดแต่ไม่เอาพ่อเอาแม่ดีหรือไม่ดีดเลวสุดๆเรื่องศาสนานี่โอ้โหชั้นหนึ่งเลยวางตัวดีอะไรดีกับพ่อแม่ตวาดพุทธแกแล้วพูดมากโอ้โหพูดได้ไมาอย่างนี้ ขนาดนกเขานะบางคนนะเลี้ยงนกเขานะไม่กล้าสูบบุหรี่ต่อหน้านกเขาเรสเปให้เกียรติตนนกเขามากเลยวัว น, นกเขาจะเป็นวัดกับพ่อแม่เนี่โอ้โหทันเนึงเลยตะ ว, าาวันเช้าตะวันเย็นอย่าทำเลิกให้หมดนี่อลัลลอ์สั่งนะสั่งใครยะยาเออขนาดเป็นนบีนะ ยะยะเอ๋ยจงบิดอมบิวาลีได้ฮิจงทำดีกับบิดามารดาของเขานะอัลลอฮฺอักุบัตต่อมาครับวาลัมยะกุนจับารอนนาซียและเขาไม่ได้เป็นผู้ยิงยะโซจบับะเห็นไหมนี่อัลลอชมแล้วนะ คนที่ทําดีกับพ่อแม่นี่ได้เรียกว่าคนเน้นเป็นคนที่ไม่หยิงยโสใช่ไหมอัลลอฮฺบัดยิ่งใหญ่ดันั้นอย่าลืมพ่อแม่ขอหนุ่งอาต้ออัลลอฮ์ให้กับพ่อแม่หล้างน้ำมาทุกเวลาเลยรอบบิบฟิลีวาลีวา ล, ล, ลีดายะวะรฮัมหูมากามารับบายานีซอริร อ, อยู่กับพ่อแม่จะออกมาทํางานหอมพ่อแม่กอดพ่อแม่ หอมหน้าพากหอมแก้มหอมมือหอมขอนอาให้พ่อแม่แพ่อแม่ก็ขอน้าให้ลูกมีอยู่คนหนึ่งเขาตายไปแล้วนะเขาส่งลูกสาวเขาไปเรียนที่ออสเตรเลียจบปริญญาโทมาอยู่บ้านก็หลายปีแล้วนะแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกสาวเขาฟังทีวีวิทยุวิทยุเ่ า, น, านอนฟังแต่เขาได้ความรู้จากผู้เท่าเนี่สอนเนี่ย พอตื่นเช้ามาจะไปทํางานแต่งตัวเสร็จก็มาสลามพ่อแล้วหอมพ่อพ่อร้องไห้อ่ะคือแต่งแต่แตั้งแต่ส่งไปเรียนหนังสือมาเนี่ยไม่เคยกอดพ่อวันนั้นมากอดพ่อแล้วก็หอมพ่อแล้วก็ไปทํางานพ่อโทรศัพท์มาผมร้องไห้ตอนโทรมา问他มามร้องไห้ทำไมอ่ะลูกลูกดีมากเลยวนันนี้ร้องงห้ดีเรียกอะไรหอม ไม่รู้ว่าเอาความรู้จากอิสลามมาจากไหนตัวเองสอนแต่ลายลูกไม่เชื่อใี่แม่พี่น้องเห็นยังอะ่ะฉะนั้นลูกที่มากรอพ่อมาหอมพ่อพ่อดีใจนะดีใจนันหอมไปเธอพ่อแม่น่ะหอมไปเยอะๆ อ, อ, อ, อัลลอฮฺอัลลอฮยิ่งแก่ๆนี่นะ อ, อ, อัลลอฮฺอัลลอฮไปไหนให้ไหวนะ่ะลูกมาสลามผู้ใจดีหายเหนื่อยอัลดุลิลลาอัตวะมาครับเวลยายักุนจาบารอน เขาไม่ได้เป็นคนหยิ่งยโสอาซียันและเป็นผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์สุภานะอูมาตาอะไรอัลลอฮ์อัลบาดยิ่งใหญ่เลยเกิดดังนั้งทำดีกับอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์ไม่พอข้างล่างต้องทำกับใครกับพ่อแม่อัลลอฮ์อย่าลืมพ่อแม่ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วอมามะเสียชีวิตไปแล้วทำไงขอดูอาบทเดียวกันนี่แหละ พ่อไม่ตายแม่เสียชีวิตผ ล, ลบุญถึงทั้งพ่อทั้งแม่เลยอยู่ในบัญชีนู่นนะรับเบฟิลลีวาลีวาลิได้ยาวรฮัมฮูมากามารอบบายานีสอเรโรทีนี้สมัยนบีมุ h ั m m เนี่ยการทำทีกับพ่อแม่อัลลอฮ์เล่าเลยให้ทำห้าข้ออัลลอฮ์เข้าใจกุงอ่านง่ายมากครับเฉพาะในยุค ข, ของพวกเราวันนี้นี่นะ เป็นยุคที่ว่าไฮเทคจะเริ่มสุดๆแล้วเนี่ยให้ทำดีกับพ่อแม่ห้าขอ้อข้อที่หนึ่งวะาตะกุลละหูมาอุฟนี่อัลลอฮสอนผ่านนบีนะนบีมาสอนประชาชาตินี้นะข้อที่หนึ่งลูกต้องไม่พูดคำว่าเฮ้อฮึอช้นี่นี่ น, นอย่าพูด เ, เด็ดขาเลยนะข้อที่หนึ่งอย่าพูดคำอะไรนะออุ ฟ, อฟ อุฟนี่นะแต่หากว่านี่เป็นภาษาที่เล็กที่สุดนะถ้ามีคำที่เล็กกว่านี้นะอัลล่ฮ์ก็เล่ากว่ น, นี้อกนี่ก็อือเฮ้ออย่าพูดข้อที่สองวาลาตันฮัรูมาอย่าได้นะอย่าจะเพ้อมอมสุขที่แรวใครอ่านคุณว่าอาจารย์สมิธผู้หญิงหลายคนร้องไห้อยู่ที่บ้านนะเขาดูทีวีบางคนน้ำตาหลายร้องไห้อะโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ อันคูตบา้าเตือนชานอัลลอ์ร้องให้ดีมากๆเลยแต่นี่คือต้นแค่นั้ น, น, นเรื่องพ่อแม่เนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะใครที่ทำให้พ่อแม่ดีใจไปสวรรค์เลยรอไปสวรรค์อย่างเดียวนั่นสวรรค์ น, นี่อัลลอด์ต้อนต้อนรับสำหรับคนที่ทำดีกับอัลลอฮ์ทำดีกับพ่อแม่ตัวเองนะข้อที่สองครับวักุลเลห์มาเกาลังกะรีมาผู้จะเพาะ พ่อจ๋มาม่จ๋ายกครับมาครับล้อนี่นะสามเรื่องแล้วนะทําได้ไหมสิ่งที่พ่อแม่ต้องการนี่เอาล้อเล่าให้ฟังนะพ่อแม่จะระดับไหนก็ตามต้องการจากลูกนะห้าขอ้อข้อที่หนึ่งอย่าพูดคําว่าเอข้อที่สองอ ย, อ, ยอย่าตะอย่าอย่าตวาดนะอย่าไล่ข้อที่สามพูดจ๋าโบไล เไราไปว่าอะไรเพราะเพราะข้อที่สีวัเฟตุลาหูมาจานาฮลซุล ล, ลิมินะราะมาทอมตน้นไม่ใช่ยืนเตะท่าตัวหน้าพ่อแม่ไม่ใช่ตองนอบนอมมันจะกระดับไหนก็ตามจะเป็นผู้ว่า น, นั่งนั่งนี่นั่งนีนั่งตัวหน้าพ่อตรงนี้เป็นอาจารย์กระดับสูงสุนั่งนี่กับพ่อตรงเลขหมดอ่ะ น, นี้เป็นตนนี่กุ้อ่านสารนะแล้วพ่ออยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ด้วยแทนบรรทัฐมนตรีกระทรวงการคลั ง, น, ง, น, ง, น, ง, น, งนั่งนั่งนั่งไปยูซุปนั่งนี่ขนนั่งไม่มีใครใหญ่แล้วครับนะข้อที่หนึ่งอย่าอะไรนะอย่าพูดคําว่าเฮ้อข้อที่สองอย่าตวาดัดข้อที่สมอย่าอะไรนะพูดจาเพราะเพะข้อที่สให้นอ บ, น, อ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนลดปีกให้หมดปีกเอไาไปใช้ที่ออฟฟิศ แต่ปีกนี่ท อ, อยู่ตัวหน้าพ่อต้องให้กรมแบบไก่ที่กกลูกไข่ ipping, ใช่ไหมนั่นแหละต้องตกแบบนั้นข้อที่ห้าวักุลรับเบลฮามูมากรมารับเบญานีสตีโรให้ขออุดหอุต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ประทานความเมตตาให้กับพ่อเราด้วยเรามีความสามารถจำกัดให้อัลประทานความดีให้กับพ่อแม่อัลลอฮ์พะบัตร์กี่ข้อครับห้าข้อทําไมต้องเจ่อจงอ่ะพราะอัลลอฮ์รู้ว่า คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากได้จากลูกเนี่ยห้ารายจานอารอพี่น้องครับเอาอายาสุดท้ายอายะที่สิบห้าอายานี้ต้องการจะพูดว่ามีอยู่สามช่วงสามช่วงมนุษย์นี่นะถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตานะเหงาถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาอันตรายมาเต็มเลยนี่เล่าให้ฟังนะ เล่าเฉพาะนบียะ ย, ยาคุณอื่นก็เหมือนกันวะซ uh ัลามุนอลฮิยาอุมะลิดะวะยามายยมูตวะยาอมายุบอสุัยยะวะซัลามุนอาไลสัลลัมุนอาไลแปลว่าอะไรความสันติอ่า ความสันติความปลอดภัยนะครับประทานให้กับนบียะยาคนอื่นด้วยนะแต่เล่าให้ฟังว่าย ah นะฮยาน่ะทำอย่างนี้คนอื่นก็เหมือนกันที่อัลลอ์พอใจนะี่นะอัลลอฮ์ให้สามเรื่องด้วยกันนะยาวมาวูลิดะวันที่เขาถูกคลอดออกมาวันที่เขาถูกคลอดออกมานั้นเหงานะ ก็แวกก็แอกร้องออกมาเนี่ยวันนั้นนางเงานะแต่เรามาดูสึกตัวบรอกเนี่ยอลลอฮุเล่านะฉันดูแลอืมเย้ามาวูลีดาวันที่มนุษย์คลอดออกมานั้นซาลามอนความสันติพันประทาแล้วสังเกตใช่ไหมอลลอฮุ อ, อกบับคนที่ดีใจนะใครแม่พ่อดีใจอลลอฮ์ฉันได้ลูกนะเนี่ยบางทีขอดูอ้าอยากดนลูกผู้ชายแล้วได้ผู้ชายจริงๆริะร้องได้ไม่ร้อง อัลลอฮ์คอัลออลอฮ์ให้บางคนไปสุญูดเลยรออีกเจ็ดวันทำมะกีกกกกกก้ก็อต่ออีกใช่ไหมนี่ซาลามุนความสันติจากอัลลอฮ์มาแล้วยายยเ อ, อ, อย่าลืมนะสามวันนะที่ฉันดูแลคุณนะยาวมาวูริดวันที่ถูกคลอดออกมาจากมารดาข้อที่สองวายาวมายามูตุ ในวันที่เขาตายจากโลกดุนยาวันนั้นเหงานะลองตายดูสิจนหนักแค่ไหนถ้าไม่มีอีมานถ้าไม่มีศาสนาลองตายดูนี่อัลลอฮ์เล่านะมีศาสนาคคซิลกิตาบะเบกูะยายา ย, ยึดเตาร้อให้แน่น ตายเจอ า, ารามุนวันตายมีแต่เรื่องสันติสันติสันติสันติสันติสันติที น, น, นองอย่าลืมนะวันตายเนี่ยมาัยกายมาสองชุดนะชุดแรกมาเอาวิญญาณมาเชิญวิญญาณชุดที่สองนั่งสายตาของคนตายมองไปถึงไหนวางตรงนั้นเอาไปเอาวิญญาณออกเสร็จมอบให้กับมรัยกายอีกชุดหนึ่งมีผ้ากระฟันมาจากสวนสวรรค์ มีสัมลีมาจากสวนสวรรค์มีน้ำหอมจากสวนสวรรค์รอรับอยู่พอมอบให้ปับหอเลยปั๊บปับปับป้หอมกลิ่นหอมขึ้นข้างบนบรรด า, มาเมลกาถาวานี่เอาของใครมาหอมจริงๆอันนี้ก็เล่าะฮายยูซุฟฮายเฉลิมเลาะบุตรโอ้วัาบันหอมอย่างนี้ชมกันทางทางชั้นฟ้าเลยเข้าเฝ้าอาัลลอสุภาณอูตาละเยาวามายาโมวันที่ เขาตายอาลัลลอฮดูแลอยู่นะวันที่สามวายามายูบะอสุฮัยยะและวันที่เขาถูกฟื้นขึ้นให้มีชีวิตในปรโลกอลัลลอฮฟังอันกรุงอาแล้วดุญยาเราเรากับวันตายกับวันเกิดใกล้เหลือเกินไม่จะอยู่ห่างกันเลยวันเกิดวันตายวันฟื้นคืนที่อยู่ในสมองของมุสลิมหมดเลย อ๋อวันเกิดนี่เกิดมากี่ปีแล้วผมนี่เจสบสไม่ใช่พูดเพลิดอายุสาสบครบร้อยวันเกิดวันตายวันอะไรนะวันฟื้นคืนชีพอุลมะเขา อ, อธิบายดีนะถ้าบอกว่ารู้ปะงานมาลิดนบีเนี่ยเขาเอาจากอาญานี้คนที่จัดงานมาลิดนบีเนี่ยเขาเอาอาญานี้ไปใช้ ใช้อยู่วักเดียววักวั ก, วกแรกนยซาลาโมนาไลฮิอูมาวลิดะสันตินะครับให้แก่เขาวันที่เขาถูกคลอดออกมาอายานี้แหละเขาบอกว่าอนุญาตให้ทำงานเมลิดได้แต่นี้อุลมากก็ว่าโตกับแล้วอายานี้มันมีอยู่สามเรื่องอ่ะทำไมคุณทำเรื่องเดียวอายานี้มีกี่เรื่องสามเรื่องใช่ไหมวันเกิด วันตายวันฟื้นคืนชีพเนวันกิยามะก็ทําให้มันครบไปสิทีท่าวอายาหนึ่งทํ า, าทเรื่องเดียวเนี่ยอธิบายไงนะอาฟตุมีนูนบีบะดุลกีต่บาดักฟูรูนบีบะดีพวกคุณนะอิมานกุรอานะบางวัดแล้วปฏิเสธบางวัดไม่ได้อายาหนึ่งเนี่ยมีทังสามเรื่องคูณเอาเรื่องเดียวแล้ววันตายทํำไมไม่ทำอะ่ะ แล้ววันเฟื่องคืนชี้ทำไมไม่จันเลยล่ะาท่านนาบีมุฮัมมัดเขามาเด็ทําเป็นแบบไว้ก็อย่าทำทําตามนาบีโพออ้าวอันนี้พูดกระเทือนบทถึงคนอื่นนี้ลนะม่เาเอ า, เอ า, เอ า, เอาพอพอพอพี่นออ้องอาตุลลงว่ามีอยู่สามวันนะสามติในที่สามที่ด้วยกันหนึ่งตอนคออลอดอัลลอฮ์นี่เราไม่รู้นะเพรามอ่านกุณอ่านเพิ่งรู้ว่าอาลัลลอฮ์ดูแลนะเนี่ยแล้วก็ตอนตายอาลัลลอฮ์ดูแลนะ ตอนฟื้นคืนชีพในวันเกียรมะอัลลอฮ์ก็ดูแลต้องการจะอธิบายอย่างนี้เนี่ยเวลาไม่มีแล้วเวลาหมดเอาเงี้ยเอาไปว้อาทิตย์หน้าก็แล้วกันนะครับที่ผมจะเดินทางไปนวลาที่ว่าเนี่ยเนี่ยตอนเจ็ดมงสิบห้าต้องออกละเอออาเมนยาวละกันที่ต้องการเอาเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับ เอท่านแล้วก่อนจะจบท่านทัสสันพูดว่านบียะยากับนบีอีซาเนี่ยก็พบกันแล้วก็นบีอีสาพูดบอกว่าอันตะคอยรมมินีคุณนดีกว่าฉันนบีอีสาพูดกับนบียะยานี่คุณดีกว่าฉันตั้งเยอะแล้วก็นบียะยาพูดว่าคุณน่ดีกว่าฉันตั้งเยอะต่างคนต่างเถียงกันนะนะ แล้วก็นบีอีสาพูดว่าที่ท่านดีวกว่าฉันนะเพราะอัลลอฮ์คุ้มครองคุณนะสามที่อะไรนะยาวมะวูลีดวันเกิดวันตายวันฟื้นคืนชีพคุณคนเดียวนะที่อัลลอฮ์พูดนะฉันคุ้มครองคุณดูแลคุณไม่ให้เหงาวันไหนวันเกิดสองวันตายเอาอาัญานี้ไงนบีอิสาอ้างอัญานี้เพราะ ในคำพีคงมีอธิบายไว้รุ่นก่อนนี่นะคุณโชคดีมากเลยอัลลอฮ์รักษาคุณดูแลคุณนะสามที่แตนะ่สามที่หนงงาวเหนาทั้งสามที่นะั่นแหละตอนเกิดตอนตายตอนฟ้านคืนฟื้นคืนชีพในโลกอาคือเราทดลองว่าสองคนเนี่ยดีกันทั้งสองนะั่นแหละแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นไหมเขาไม่คุยด่ากันนะ Nak b s u b h a n a k Allahumma w a b i h a m d i k a hadwullah illa illa anta astaghfirullahu wa tu boilaiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.